โมว่านหลวงพ่อไปไประชุมอยู่สลากลางจังหวัดสลากลางหลังไม่ชันหาวแต่ไปไประชุมโมว่านเนี่เกี่ยวกับสรุปผลงานที่จะฉลองเจดีหลวงปู่ธรรมเจดีผู้ใดสี่เฮ็ดจังหดแล้วก็ที่ได้รับได้รับพระบรมสารีริกธาตุ จากเจ้าระกุลจุลเ็จประสังคาราชแล้วก็หลวงปู่อุดมญาณโมรีเจ้าอาวาสวัดโที่สมพรได้เข้าไปรับพระบรมสารีริกธาตุจากในหลวงเมื่อเดือนที่แล้วเนะ่ได้พระบรมสารีริกธาตุทางทางหนึ่งทางโลกก็สูงสุดของเมืองไทยมันอไปคือรับจากในหลวง ท, ท, ทั้งไฟทั้งถ้ำค่รับสูงสุดจากสมเด็จพระสังฆราชสีมาบรรจุปฏิสถานบนพระเจดีย์ชั้นบนให้ลูกหลานได้กราบได้ไหวแต่ว่ามือวันที่สาสเอนี่ยคงจะมีการแห้กันไปในแห้ขบวนรอบเมืองอุดรรักษก่อน ให้นักเรียนให้พี่น้องประชาชอนออกมากเคารพสักการบูชายังคอยนํามากวัที่วัดโพธิสมพรจากนั้นพระเทพพระเทพจะมาเป็นผู้บรรจุลงบนพระอภิสฐานขึ้นวัยแทนแทนบรรจุพระพระรมสารีริกษ์ธาตุนจ้าหน้ากวงตาได้เขามาก รวมเป็นประธานจัดงานเป็นองค์แสดงธรรมตอนบ่ายของวันที่หนึ่งงานหมู่บ้านเนี่ยูชื่อว่าทั้งรองผู้วาราชการแจงวัดกับพว้นาหน่วยราชการทุกหน่วยทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งเทศบาลทั้งพ่อขาดไปใช่ชนทุกมูมทุกเรามื่ว่าน ีไปชุม่มแต่หลวงพ่อไปก็าไ่ได้ออกซิท์ออกเสียงอย่างนี้แต่ไปฟัง่งฟังผลสรุปในการทำงานแต่ว่ากรหนานาน่นหลวงพอ่อไปเข้าไปรวมไปชุ่มก็คือได้พระเพิ <S 2> <S 2> <S 2> <S 2> ่งกระบอกให้ <Hay> ขาดพวกผาไตรแล้วก็พวกย่ำหลวงพ่อก็รับพาลักแหน่โยมถวายหลวงพ่อ หลวงพ่อก็รับเนี่ะถวายพาดไตหกสิบไตรบอแล้วก็ย่ามอีกทั้งพ่อของคู่บาเพล่นเป็นสร้างยิปผายูโร ป, ปูรี่เนี่ยเพิินว่าผมที่ถวายเลยเออถวายก็ดีละถวายในานามของเป็นบุญเป็นกุศลเพราะงานเนี่เป็นงานที่บูชาพระคุณหลวงปู่ธรรมเจดี เป็นเจดีทั้งทางโลกเป็นเจดีทั้งทางถ้ำทางโลกก็คือพระบาทชมเดชพระเจ้าอยู่หัวทางถ้มก็คือชมเดชพระสังคาราชและก็ตัวจะคุ้นถ้ำเจ้าของเพิินกับเป็นจกชื่อว่าจะคุ้นธรรมะเจดีแล้วก็พร้อมกันก็เป็นพระอุปราชของพ่อแม่คู่บ่ายจานสายกรรมฐานเกือบทุกอกว่านึงไป จังสันเพราะนั้นถือว่าเจดีเป็นเจดีที่สำคัญของเมืองอุดอรเจดีหนึงห่งบนนั้นไปเพราะนั้นเป็นที่เคารพสักการะบูชาคนในตลาดเขามากไกลตอนเย็นตอนบ่ายผู้ใดมีความทุกข์บรสบายใจยังไงก็มากราบพระธาตุ เป็นทีํำดึกทา้งด่านคิดด่านใจหลวงพอ่อเป็นมงคลมหามงคลสำหรับพี่น้องชาวอุดรของเฮาใจดีนี่คนนันไปแล้วก็พร้อมกันกะมีลูกมีพระพุทธปฏิมาก่อนแล้วก็มีลูกหลวงปู่สาวหลวงปู่มัพพมกกนแล้วก็มีลู ก, ลลล ก, ลกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนยีเกือบทุกองค์ทีมีซื้อมีเสียงี่เพิ่นลวงรับรับขันไปแล้ว คือยังรท่านร่วงรับรับกั น, กนยังตรงตามหาบัวถงได้มีลูกเพิ่นได้มากเคารพสักการบูชาในเจดีนี่วันไปน่งเต็มมัดในชั้นนึงชั้นในหลวงพ่อยังระท่านเบิ่งขากฝ่นระท่านแล้วหลวงพ่อขึ้นไปเบิ่งแต่ว่าอ้งามเพิ่นเหตุเป็นไอเบียบดีมากแต่ว่าเพิ่นว่าถึงยังไดก็บให้ท่านวันที่สามสิบเ วันที่31เป็นวันที่บรรจุและเฉลิมฉลองวันที่หนึ่งหลวงตาเทศนาวาการรับผาป้าแะ้วก็จบมือนั่นไหลวงพ่อไปไปชุ่มหมื่ว่านก็หลายชั่วโมงอยู่จากนั้นก็ได้ไม่เยี่ยมพระปวยแต่มื่ว่านได้ทราบข่าวหลวงตาด็อเตอร์พี่ไม้ ไปเหตุอย่งไหนไปหาเหยียบหลังงูเขียวงูเขียวหางใหม่ว่านั้ไปพวกเฮาละมัดระว่างเนะ้อพระคูบาทั้งหลายเนะตลอดถึงหยาดโยมนี่คืออกทั้งหลวงพ่อก็บบุหูแล้ววะหลวงพ่อก็เรามัดระว่างด้วกันเนะเลืองงูเนี่ยไปใส่โบสถ์เเผอแล้วว่างนั้นเถอะขันโมเมนเม่นบาปเป็นกรรมอีกทีเม่นคือโบสถเหยียบราหลังงูเนี่ไปตลวงพอระว่าง เป็นเน่นมากจนถึงปานนี่เราอยู่ปาดงพงไพ่ามาจักสักปีอยู่น่นไปบกเคยบกเคยถึงหู้กัดมาแต่ขาบกัดกับบกเคยกว่านั่ไปแต่แม่งอดเนี่เคยอยู่โน่นไปแม่งอดมันบังอเอิญวันโน่นไปไอ้ห้างเถียมันอยู่ในทอน้ำนอ่ทอน้ำเนี่ยนะที่ห้าวนาะล่างตีเนี่ยนะมันมีสายอย่างมันไปนจดอยู่กับพื้นเลยแม่งอดเมื่อกี้หิวหน้า ม, มันบมดลนะมันก็ไต่เข้าไปนะี่โกนกระบอกนะ เฮาบัวใดระมัดระวังงเพอเปิดน้าผมว่าเขาเมื่อตรงโหลดตามปกติก็เป็นสั้นอยู่ในห้องหน้าเมืนบัวละห่องน้าบัวเหมืนห่องหน้าห่องหน้าสถานีวิทยุนะมันเป็นหลังไมเปิดน้ามาเขาเมือตรงเลยอ้าเมื่อตรงเลยออกมากันเป็นฮามีโนดแ้วหน่อยเผาแล้วนะไโอ้แม่ยังนี่วะเบืองในเฮ็นเต็มไม่งดหางอหลงคองอยู่โทรโทรโทรโท โอ้ยเจ็บจุมมัดมือกระโดดวนไปเนอ่จนขอบขวบเกายังค่อยหายวนออกไปโอ้แม่งอดตอดเจ็บจแต่แฉะว่ะเนี่ยวะมึงไปหาตอดกูจะไหนเว้ว่ะกูบอกขุางว่ามึงอยูห่หันแม่วะกูก็เปิดหน้าบอกมากกูกเอามือตรงน้ามันลดแล้ ว, ว่ะแน่นมันเป็นสั้นเลที่รักษาจะไหนบะเนี้ยมันออกมากจากหูได้เป็นบมด่ะเสียวกรำของเฮ้าก็เกิดสงสัยเคลื่อนผีเฮ็ดมันไว้มั้งแต่ ก่อนนะมันเคยเลืเคยมาตอดเท่าซะแค่มันตอดในปัจจุบันเนี่ยเท่าก็บให้โอ้โหสีมนันน่ะว่าเท่ากับประเฮ็ดเนี่ยมึงดอกไปไปไปไปมึงมึงจะไปหะโกรธไอ้เคียนใอ้กูแม่ว่ากูก็ประเฮ็ดเนี่มึงแม่วะกูก็เปิดหน้าบ อ, อกมา ก, กูก็ประคืว่ามึงที่ยู่หันนี่แหละไม่งอดเคยตอดลงพออยู่แต่ว่าขีเข็บเนี่ยว่าเคยแต่ก็บ่กอยากล่องหนะวะขีเข็บเม่ยงอดอยากร่องหนงูอยากล่อง แต่ลูกตาดตรถี่รนะ่องรองหูเขียวหางใหม่ตั้งหักมือมันพระเนี่ยมันพระที่ผ่านมัดเดือนเก้าดับเนี่ยนละไปปีหาสองเตือนเก้าดับเนี่ยพันยางตจงกรมเพันยางไปใส่ะไปเหยียบไปเหยียบหางมัดวนไปเหยียบหางหููเขียวหางใหม่วนไปมันก็ะตุท่อเกือบโป้มือเนี่ยปัว่าพอยางไปมันก็เผพ้วรถไปนอนไม่หยังกัดเนี่ย ผมมีไฟสายไปยางมากุตีอีกจับไฟสายด้ย่างไปไปซองมึงที่มันมองมันกัดมันอยู่แถวนี้แหละไปเบิงงเห็นตงกูเขียวหางใหม่มันยังว่าเอาอีบ่อเอาอีบ่มันยังว่านหางมันเอาแจ้งดินจะจัดชัดชัดชัดมันยัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดมันยังทัดทัดชัดชลดชัดดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดชััดชัดชัดชัดชัดชัดนัดชัดชัดชัดชัดชัดดชัดชัดชัช มึงมือสานกัดขู mind, ่ที่ตันนะมกัดหลังตินเลยเบิงหางมันมันยังแกวงมันมันมันยังหายอันไปมันแจงั้นชัชชัชชัชู่หางมันยังดิ่นเลยเป็นนิสัยของงูเขียวหางใหม่มันมาย่อมถอยภายหลังเป็นงูเขียวตัวนึงขึ้นมากเลยมาลางน้ำผู้ถาวะพราะลางน้ำขึ้นมากโอ้ปวดขึ้นเลยเลยเลยบ้านเนี้ยยาอมีบาเนี้ยหายาที่สูตรที่หลวงพ่อหาไปนั่น หลวงพ่อรักษาในวัดเท่านี่เด็กหน่อยตะกอนเด็กหน่อยมั่นทางานในวัดเท่านี่ทุกปีว่นนั้ไปหลวงพอ่อติดเตรียงไปไเลยเสลยพังพรตัวเมียวันนัไปแต่ทีมันมีกาดแดงๆมีจันแดงๆแล้วก็มีแขวมีแขวาสองเขวนะในการมันเหงาการมั่นนะนั่นแหล ะ, สะเสลยพังพรตัวผู้นะสเสลยพงพรตัวผู้แล้วก็พักหนอกอ พักหนอกบันเห้านะ่พักหนอกพื้นเมืองเห้าเนี่ยอ่าแล้วก็พิดไท้อ่าผิดไ ท, ไท่ที่เป็นผิดไท้ที่เป็นขาวๆเน่ยแล้วก็หมักเน่า น, น้าหมักเน่านี่แหละหลวงพ่อเอาใส่เด็กหน่อยเนี่ยโว้ยพ่อปานพิดถิ่นเนี่บวบบวมเด้ตัดเด็กน่อยตัดมันเลเป็นหลายสิบคนอนนอไปเพราะทุกปีที่มากนก็นเล็ก เ็กน้อยทางป้าเหมืนหมบ่ได้นำลำบากระวังทางไปเอยไปมากก็บ่ได้เบิ่งยังเด็กกว่าโอ้ยงู ก, กัดเล็กน้อยเลยหลวงพ่อเอาแม่พระวะพากะลุ่มมากกพักหนอกกับเนี่แหละหันหันหันหั น, ห น, หนหันลงโคกเลยกัผกไทยเอาล่งไปกัโคกลดลงไปโคระลุก ป, ก ป, ป, ปุกปลักกรลุกปุปปกปลักกลุก ป, ปกพ่ออายะคือมานนี่กัเจ้าแนนอกไอ่นั่งอ ถ้าผมแนนอกป่าววะแนนนาอกบ่าว่าบอครับขั้นพวยว่าแนนนาอกนี่เอาน้าหมักเน่าบีบลงไปใส่เลยเอาซอนแตะสักหน่อยแล้วก็ใส่ในโจกเอาน้าผสมสักเครื่งแก้วให้กินโหลดลงไปเนี่ยใครเขาว่าแนนอกเนี่ยไครทอนมันมันมันสิพิษมันสิถอยเลยจากนั้นบีบน้าหมักเน่าใส่เลยหลายป่าเลยก็โขกไปโขกมาสักหน่อยแล้วก็เอาโปะเอมักเน่าเนี่ยเศษแผลเลย เสร็จแผลงูงูกัดมองงูกัดนะเสร็จแห้งๆมันลงไปทําความสะอาดมันเอาหมักเน่าเลยเสร็จเอาหมักเนา่าพาครึ่งเนี่เอาบีบไปซะก่อ น, อนบีบว่าน้ำไปก่อนเนีมันอ่อนๆบีบถูแห้งถูถูถูถถบริเวณกว้างๆพอถูเสร็จเรียบร้อยเลยก็เอาไอ้เศษพังพอน ก, กับพักนกนนมันลงไปกับพริกไทยพักนอกเอาลายไปในเอากับมือจมๆมัมนลงไปเอากับมือจมๆทอๆกันนะครับ เสร็จปังพ่อนกำมือจอมยอมเกันแต่หันหันหันั้ก่อนไ้ยองคอยเอาล่งอลไรก็กำมวยผีไทยประมาณสองอนโตลงไปซอนตะแกงเท่าเนี่ยอซอนสดอาหารเขาเนี่ยตากมากระเท่ลงกโคตรลงตปพอโคตรจะบีบมังนาวซีได้หลายสักษีหาน่วยไปทีแรกพอบีบไ้เรบลอยกบบน้ำเมอนกัอือจืดกมากกับโป้รดพอเสร็จลพอโป้เราเอา พากดก็ได้หรือบบพอพากดก็ได้บรต้องใส่ยังไดงพากไว้เพดนมันจะแหงว่าไปเลย้นี่ยแหงว่ามันห่อนทางในได้เนี่เขากับีบหน้าบักหน้าใส่เลยเลยเลยเนี่ยจักสามสี่ห้ามวยเป็นยังไงมันเจ็บอยู่บ้างมันจะค่ายความเจ็บลงได้บางนี่พระค่ายความเจ็บลงกันพอมันแหงไล่เธอแล้วกันําอีกครกที่สองอีก โป อ, อีกบัดสอนเอาผ่ามัดไว้หลายบัดบีพนามักเน่าใส่บอมี่ใครบอรมีบวมมันออกไปงูเขียวงูเขียวในบวมได้คันวาิยาพระท่านบางคนในแพร่หลายจนจนเปื่อยอจนนิ่วขาดก็มีแต่ว่ถึงก็ตายหรอกแต่ว่ากระ่าแน่ขึ้กันคำว่า บ, บางคนก็ตายได้ขึ้กันเพราะว่ามั น, ม, นมันแพรเป็นบางคนบางคนก็แพรหน่อยบางคนก็แพรหลายวมันออกไปการแพรหลายในยถึงตายได้มันเข้าไป ช็อกในหัวใจคนไปแต่ลุงตาด็อกเตอร์นี่ยผู้เฒ่ามามียาใสใ่บันก็เลยไปรักษาอยู่โรงพยาบาลพี่ไม้โรงพยาบาลพี่ไม้ก็เพราะสะดวกเพราะมันมันเป็นตึกร่วมทั่วไปอ mm hmm. ก็เลยผลก็เลยไม่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นเป็นมันตึกสงอาพาธแต่เดี๋ยวสองมือนะยังค่อยได้เ ม, มา้าไปเป็นก็ฟั่งฟ่งเปิงอาการ พ่อมแม่แหละก็หมอก็เลยฉีดยาให้ด้วยความระมัดระวังแต่ฟัง่งหลงพอ อ, อโทษไปถามหมอว่าเนี่ยว่าเม็ดเลือดมันต่ามันสงสัยจะไปทำไร่เม็ดเลือดมั้ตามปกติเม็ดเลือดของโคน่นะประมาณสองแสนได้ไอ้อแสนกว่าเป็นอย่างหน่อยอันนี้สองหมื่นหนึ่งมันหน่อยตกเกเลือดต่าตกต่า ม, มากหมอเขาคงจะบให้บวให้กลับบ้านเขาก็เลยให้ยา เมื่อวานเนแต่ก็ความบวมเนี่ก็ยังบวมอยู่แข้งแข้งเนี่ยยางอะไรเลยตุบโศกเลยมันไปเนี่ยแหละงูเขียวหางไหมเป็นไงล่ะมันกัดมองในมันบวมแต่ก็คืออันตรายก็าคงจะบออันตรายหรอกมันมดขีดอันตรายแล้วอันตรายเขาวันสองว่านแหลกนั่นน่ะนี่ที่อันตรายการมาเกินก็นั่นไปแล้วก็าคงบอกเป็นอย่างนี่แหละอันนี้ก็คืออสรพิสออา งูเขียวหางใหม่แต่อยู่ในวัดเท่าในมีหลายเนอะการระมัดระวังย้ำคำมาคืนขันว่ามันกัดมันตอดแล้วนี่นี่มันโมแมนต์แนวดีอย่าไปท่าท้ายพวกเข่าพระหลางเปินสอนใ้มีปัญญาตัวในห้องจะไปหัดใส่โดยที่บทยางสุ่มซไปเลยบาหามันกัดมันตอดกันมากแล้วเสียเวลำเสียเวลา่เสีย มูเพื่อนอีกมูเพื่อนเกิดทีลุ่มมาเบิงดูแล ร, รักษาเ้าอีกเสียล่ะเวลามูเพื่อนอีกเนี่ยพอเงินตังคค น, นต่างรักษามีไฟไฟฉายเขาก็ไม่อยู่แหลท่านไฟฉายเขาก็มไม่อยู่แหลเวลาที่ไปสีมามงได้ให้ระมัดระวังการไปเหยียบเขาก็บบุตริกัน่ไปเหยียบงูนั่นสิมันก็หลังหักคือกันเท้าบ่งแจวว่ามันเจ็บขนาดไหนบางที่ไปเหยียบมันมันก็เห็ุอย่างไรละ่ะมันก็มีอาวุธอยู่สองเข็ม เหลีมถนันในแข่วมันนะมันก็กัดเท่าถนนนะจะว่าไปเขลียรให้มันกระโปได้เข้าไปเหยียบหลังมันวันออไปเอมันเอาจีหาว่ามึ่อไปมาอยู่ในในท่างกูนี้มันก็จีว่าไม่มันจะมาดยางไปหมู่อื่นบ่อใดมันจะมาให้เหยียบยังหลังคอยมันก็จะว่าเออมันก็มีหลายแนวขึ้นกันเพราะนั่นในต่างคนต่างระวังเข้าเป็นมนุษย์ตัวออกไปเข้าเป็นพลาอีกต่างหาก เวลาที่เดินไปใสก็ะหัยะมัดระวังย้ำคำเมื่อคืนเวลาที่เดินโงกลมกัดเทียนก็มีอยู่แล้วประจุดเทียนขึ้นมาเดินโงกลมนี่แหละไอ้อันนี้ก็ะหัเบิ่งกันเนอกระห้ระมัดระวังแต่ว่าถึงจังใดก็ตามถ้าว่างูกัดเนอย่ยาเป็นหนึ่งดูได้เพราะห้องโอหูเจ้าว่างูอันนี้คืองูหยัง่งเนอบางที่ถึงตายได้เนอบางคนก็เอาใจวางนะั่งสมาธิเอาหลอดมันจะไปหาคืนนะ เวลางูการจะต้องบอกมูปกเพื่อนคู่บาอาจารย์แต่ตามไม่จริงท่านเป็นไปได้แต่บูถึงกับขามันออกเวลางูการงูหยังขันมีขันมีหยังไอ้มีไอกระปองมีถังนะื้งุ่มใบก้อนกันเป็นไปได้ย่างนั้นดีมากเพราะเขาชื่หูเจ้าว่างูเนี่ยงูหยังพอไปหาหมอเขาจะได้ฉีดยาเสลุ่มงูตัวนั้นแหละรักษาในอันนั้นทูุกยดตัวนั้นไป ัานาวา่าเฮาบองจักงูเนี่ยงูอยัางจักบอ ง, งจั ก, จกเห็นโมบอเห็นน่ยบาดนี้เขาก็สีเซลุ่มล่วมละบาดนี้ยซีลุ่มล่วมก็คือจกักจะเป็นงูอย่างมันกอาไปสีเข้าไปเขาก็เบิงฟัง่งไปอีกแหมมันจะเป็นผิดเป็นผลม า, จากจังไดอันนี้แหละอันนี้ก็ลําบากแกหมอธาว่าเฮาเห็นตัวมันงูเขียวหางใหม่เด็กเขาบองจักเลยเอองูเขียวหางใหม่เขาเขาเซลุ่มงูเขียวหางใหม่สีเลย มันก็ถูกกับโลกมันก็แก่กับผิดของมันได้ก็เป็นงูเห้างูทำท่านงูทํทขานคือคืองูสามเหลี่ยมนะเป็นผิดลายแรงเลองูที่ผิดลายแรงก็คือหนึ่งจงอ่างสองงูเห่าสามงูสามเหลี่ยมที่ในวัดของเห้านะแล้วก็สี่งู่กระปะหาก็งูนี่แหละงูเผ่า งูเภาสีหาหกอย่างนั่นหกก็งูเขียวหางใหม่นนแหะไปนี่แหละอันนี้แหละงูในว่าเท่าที่เป็นผิดเป็นไผ่แต่ว่าถึงจะไหนก็บพ้นปวเป็นแต่ยานอที่ว่าให้ฟังเนี่ยคือคือให้สอนให้พวกเข้าระมัดระว่างเท่านั้ น, นะให้ญาณหลงพ่อบวสอนให้ญาณเลยหลวงพ่อเนี่เห็นเนี่ยโอ้หลวงพ่อนี่ยจับรุดเนี่ยเอาไม้กดแล้วก็จับเลยจับงูมาจักเท่าใดแล้วหลวงพ่อเนี่จับงูหลายเด้ วิธีการจับงูแล้วก็ลงพ่อเพื่อค่อยผลักจับด้วยความระมัดระวังจับด้วยความเมตตาอีกต่างหากบางที่งูสามเหลียมลงพ่อไปจับอจับพ่อปั๊บถึงจับหางพร้อมเลยอซีโบ๊จับแต่ข้ออย่างเดียวเพราะจับข้ออย่างเดียวหางมันเกี่ยวเดียหางมันเกี่ยวบางที่มันหลุดออกมาหลุดมันตัวมันยังพันในแขนเนี่ยนั่นแหละมันจะกัดมือก้นเท้าอีกอลงพ่อถึงจับข้อปั๊บถึงจับหางแล้วก็หากับปองหา กระสอบพายังมาใส่กระโน้นพบกลงไปกัปิดแล้วก็ไปปล่อยไก่บนไ้ปล่อยในวัดเท่าพองูงูบนนี่มันหากินหมดไลยมันจะกินตะหม่องกันมันจะวนวกวนเวียนอยู่แถวนั้นแหละก่อนมันจะง่ายไปหม่องอื่นนี่แหละอันตรายขี้แคบขึ้นกันกามันอยู่แถวไหมันช่อยู่แถวนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยจับไปไปปล่อยหม่องอื่นคนละแบบ ว่าการจับการจับเนี่ต้องศึกษาเะ้าก่อนเด้จะไปหาคุดได้คุดจับอะไรเ ด, ด้เอ่อยังพระวัินมักเปียงตีหลวงพ่อได้ยิน เ, เห็นว่าเขาจับหู้ก็จะจับพอจับพร้อมทั้งยานพร้อมไปจับไปจับข้อมันห่างห่างไปมันก็แหวงเกามาก็มา ก, มากกัดนิ้วมือเลยแล้วมันก็ปลอยพิษย่างเต็มที่ะพที่สุดจะตัดนิว้วตัดนิ้วมือถิบมันลเอปนี่แหละ อันนี้แปว่าการจับงูบ่อใดศึกษาจับงูตรงจับจังใดมันสิวแว้งกัดมาบ่อใดเขาต้องศึกษาต้องเบิ้งวันไปบอกมันคือใดคือจับบ่อใดได่อันตรายได้นี่แหละงูเขียวเ้ามเลยตัดนิวนวน้วมือถีมได้เนีมันเปื่อยเลยนี่แหละอันนี้ก็คืออสรพิษแต่หลวงพอบัวตองกลัวมันขีกลัวมันในยังงูมัดตัวมีแต่อยา่าแต่แขีวมันสองเขียวนะ่ะ คนว่าล้งตาท็อคเตอร์ไปเหยียบมงใกล้ข้อมันเหยียบข้อมันมันก็กัดบรายขึ้นเกาน่อเอปหางมันกรดิดเน่าๆขึ้นเกาอันนี้ท็อคเตอร์ไปเหยียบพางไว้ได้มันก็เลยกัดขาออกไปนี่แหละอันนี้ขึ้กันะพวกเข้าเห็นนจะไปหายานมันงููมดตัวพิจะตเขวมันท่านน่ะเป็นแตะยานหน่อยไปเน่าอื่นว่เป็นแต่ยานเหตุอย่างไรเขวมันสะบ่มากกัดเท้าน่ะเออ้าก็จะไปไกล่มันแหม่ ต้องระมัดระวังเดินก็ต้องระมัดระวังต้อมีไฟฉายยาำกลางคืนเพียงแค่นั้นปลอดภัยแล้วไมล่งงูกัดเช็ดยังไงกันผู้อยู่พวกเฮาอยู่ไก่กันบางที่นะกันงูกัดในคะอใหม่อย่างที่หลงพอบอกคอใหม่โป๊กโป๊กโป๊กลังคำกังคืนคอแห้งๆรถคอดังๆลรถมูอยู่ไก่เออมันมีอย่างก็เฝแาแลนไปเบิ่งหากัน พอไปเล่นหา ก, กันเลยย า, ยางยางถ้าเป็นไปได้เขาบริายางได้งู ก, กัดให้เอาเชือกมัดก่อนเอเขาไปก็เชือกมัดหลดมัดแขงหลดุดออไปถ้ามันกัดตีนเลก็เชือกมัดมัดแขงหลดุดพอมัดแล้วก็แล้วก็แลนมาหาปกผู้ยูไก่บอกมาหากันเนะีเยมั่วพอมาหาหาหารถหาอย่งอางดูหาคนหามเลยวันนไปเขาจะบห้ายาง มันงูผิดแห้งจากนั้นเขาก็คอยแก่เชือกแก่เป็นระยะระยะระยะบระมาณจะมัดตายเลยเด้แก่ให้มันให้มันให้ให้มันผิดขื่นชาที่สุดวนลงไปพอะมัดแขงไว้นะกัดแล้วมันผิดมันจะขื่นมาหาชวนสูงเดยเข้าจะ่ตอยขั้นว่าหอบมัดไปเลยมันแขงมันสีเน่ามันสีเน่าพราะวอมผิดมันตัดสีอยู่หันยางแรงเขาก็ต้องปลอยขึ้นมาให้เลือดเฟียงลงไป แล้วก็ปล่อยขึ้นมากเลือดเปียงลงไปปล่อยเป็นระยะระยะเอานั้ไปเพื่อชะลอกชะลอกผิดบ่อยให้มันขึ้นมาหาหัวใจของเห่าเนี่ยอันนี้ก็คือวิธีการรักษาจากนั้นกน็ออกมาทางนอกเนะ่ยหายยาใส่ระบาดไปจริ ง, งพระยายเป็นงูยังถังงูกเขียวหางใหม่นี่มัต้องเดือดร้อนมากถ้าเป็นงูเหา่างูจงอางอันนั้นรีบส่งทันทีเลยยายาชาวันนั้ไปส่งโรงพยาบาล แล้วก็ถามอีกต่างหากโทรศัพท์ถามน้าสมเชื้อลุ่มงูเห่ามีบอน้าสมเซืลุ่มงูเห่ามีบอยหน้ายุ่งเซืลุ่มงูเห่ามีบอบ้านผืนบอไปถีบโจโลไปแล้วไปหอดมีบอยเชืลุ่มแล้วกับมีบอเซลุ่มบอแม่นื้อสัตว์นั่นไปเขาต้องโทษไปถามมัดน้องไข่มีบออุดรมีบอยเชื้ลุ่มงูเห่าอ่ะเขาต้องถามเนื้อสัตว์กันบอไมีกัน ดิ้งไปหามองหันเลยวันออกไปเนี่ยเพราะว่าเซลุ่มตัวนี้บทบทท่านบ่ได้เดออันตรายไอ่สมัยก่อนมู่กัดใค้บันตาดเซลุ่มอุดรก็บ่มีเซลุ่มน้องไข่ออก็ บ, บม่มีเซลุ่ ม, ง, บบ ม, มงูเหา่าพลที่สู้ก็เลยเป็นบาเลยวันนั้นไปเออนั่นแหละจนตายวันนั้ไปไปตายย้อดผู้เท่านี่แหละอันนี้แหะอันตรายนะ ที่พูดให้ฟังทั้งนี้เท่านั้นคือวิธีการที่พวกเข้าอยู่ในปา่าหลงพงไพ่ต้องรู้จักวิธีการรักษาตัวยางหลวงพ่อไปเที่ยวทุดงในป่าก้นไปหลุบตามลําพังบางที่ไปอยู่องค์เดียวได้ห้างไกล ย, ยังไปอยู่นี่ยน้ําตกยุงทองเนี่ยทาคุ้นปองตรงพ่อยู่องเดียวได้ห้างจากบันสว่างเท่าไหร่ก็นำไปเนี่ยมันขึ้นอยู่องค์เดียวยเนี่งพ่อหน้าอยู่ในถรรมแล้วก็นยางม้าหองนงหองน้า อูปากทำอยู่ทั้งตีนทำเนี่ต้องมีไฟฉายแล้วก็พ่อมันการกนในยามลงพอเนี่ยอมียายาหากเป่านิ่งบอหากกระจรนเน่าบ่เฉลตพังพอนบ่อัลบอมันเฉลดพงพอนวานอพญานาคเอีนี่แหละลงพ่อจะติดายาวไว้สองสามอย่างแล้วก็มีหมักเน่าแห้ง หมากนาวเนี่ยคือน่วยมันน่ยไม่ตากมันแหงเพราะมันแหงนะก็เกลีย่ยไปนิยามแล้วก็หินสมใช่สารสมอากรอนิดน้อยมันหนักเดียเอาใส่ห่อไว้อันนี้นะคือแก้อาจจะเราผิดย่มฉุกเฉินมันลงไปอไปมันต้องเตรียมพร้อมอย่างสั้นเอยแล้วก็ไพมันต้องพึงเจ้าของมันลงไปแล้วก็เวลาเบื่อเมาอยังก็ตามก็มีหากยางจืดหากหนึ่งท่อนี้ก้อยเนี่ยสักสักสองข้อมือนะไปติดยามไป มัดมิดดี๋ดีใช่กันนั่นแหละอันนี้แหละคื อ, อยาของโบราณหมดไปอย่างขั้นกอขั้นงู ก, กั้นอะไรจะไหนลุ่อมอันน้ำไหมขับหมีได้แถวเนี่ยสมัยก่อนลุ่งพยาบาลก็น้ำโสมคน่ะอันดับอันดับแหล่งเขาก็ต้องซอยเจ้าของเจ้า ก, ก่อนขั้นซอยเจ้าของขั้นรักษาบื้อเจ้าของขั้นบ่อใดจะเห็นอะไรเนีอยมันก็ต้องกรรมของกูกรรมของกูตัวบจเนี่ยก็ต้องพ่วนันนาก่อน ตายกับข้าวเนี่ยตายกับตายนละเกิดมาตายอประโยชนสวรรค์สันไรก็ต้งสีตายถึงถึงข้าวมานันอยู่กับพ่อกับแม่กับตายขี้เราเน่ะอยู่กับผีกับน่องว่องสาขนาญาติเอดลูกหนักแข้งลูกแล้วลูกอีกก็ยวทตายขี้เราถึงข้าวตายมาแล้วถึงข้าวตายยุ่ยใสกับตายต่อเอมันต้องผวาหน้าสันแล้วนี่แหละอันนี้ก็คือบรรทุดท้ายแต่ยังพอท่านถึงขันนั้น เขาก็ต้องรักษากรนอนไปเอ่อมโมเมนต์ตามบุญตามกรรมอ่าล่อล่ำบกกวักโผล่านพันว่าลงปูลาวเนี่นไปเอ่ลงปูลาวอะตามบุญตามกรรมล่อยล่ำบกกวักไงเอ๊จิงไหนลงปูโอ้ยกระโดดต้ามลงน้ำเลเอา้าแล้วแต่มันสิเป็นไปเราสิเน่ตามบุญตามกรรมเลยโอยกระจอีลีแล้วพันว่าตายลดแล้วเนี่ถึงจะได้กระต ด, ดต้ามลงนา้าก็ แวงแต่พุตตะพื้อวายน้ำไปบางที่มาอาจจะรอดก็ได้พลว่าเพราะมันวายเลยค่นว่าตามบุญตามกรรมรอยน้ำบกวักหนึ่งห้ยจมรถแล้วพลว่าอันนี้คือกันเขาตรงซอยเจ้าของเจ้ากร อ, อัตหิอัตโนนาโถนตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรซียาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้เนี่ยนีะอันนี้คือสอนทั้งนี้ทั้งนั้นบอกทั้งนี้ทั้งนั้นคือให้พึ่งเจ้าของ ให้ไปใส่ให้มีไฟฉายให้มีความรอบขอบที่เข่าห้องน้ำห้องทากะให้เบ่งสะกอนเพราะแน่ห้องน้ำอาจจะมีงูจงอ่างงูอย่างพรอมีกบมีเขียดมันอยู่ใกล้ตุ่มน้ำเนี่ยมันอาจจะมากินกบกินเขียดมันอาจจะมานอนคดอยู่แถวดันกระไรไอ้หรือผู้ใดอยู่กุฏิมีสองชั้นไอ้กุฏิสองชั้นหลวงพอบอกได้ให้ปิดประตูได้ ย, ย่าหมวเว้นขนาด อีเค็บก็ยังเขาไไง่าเพราะไรบางโน้ตัดประตูเป็นเหตตดีขึ้นอย่างนีไม่ถ้าเรานีประตูขันทั้งหน้าอีกปิดนี่ยังดีอีเค็บกับเขาไไ่าเพไรเอแต่ว่ากันห้อเปิดไ ว, นวน้นี่ยกันห้างพายุเน่ยบางที่งูเฮางูจงอางงูอสาราพีดมันไ ล, กล่กบไล่เขียดงูกบเขียดมันก็ย่านมันหมดละมันก็กระโดดไปกระโดดมาเห็นห่องมัน ก, กระโดดเข้าไปในห่องเอ่งูก็ไล่มากก็แล่นเข้าไปในห่องเอมันก็ไปกิน ปบกินเขียดในห้องพราะกินแหลือก็หานอนอยู่เอี่ยสนดูตามผาบนั่นเนี่ยบา้านเขานอนตื่นขึ้นมาบ้านใงูเลื่อยไล่เลยไเขาที่เห็ดยังไหลระบาดเอยบ่ยากเบาเลยจุดนั้นเราไปเนี่ยเหลือหนา้าเหลือหลังเราไปเพราะนั้นเอประมัดระวังเข้าอยู่ในปา่าอันนี้คือความรอบคอบในการอยู่ในปา่านะอย่าไปเอฉลาดใจหรือยอย่าไปนอนใจ ผิดพลที่มันจะเกิดมันมีมากทำมันกัดคือมาระบาดเสียเวลาเสียเวลาเอามดทั้งวัดทั้งว่ากัเบึ ง, งแห่กันไปแห่กันมาอย่างพราะเหตุใดเพราะความโง่ความเซ่อความขาดความหลบขอบของเฮาเองะสรุปแล้วเพราะนั้นไงพวกเฮาทุกวง น, นะไปะอยู่ไสก็ตามความหลบขอบตองมีไปอยู่กับมนุษย์ก็ให้หลบขอบกับมนุษย์ไปอยู่ในป่าก็ให้หลบขอบกับปา่า อยู่กับเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็ให้รอบขอบกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ไปอยู่ในสายให้มีความรอบขอบให้ใส่ปัญญาผิดไัยมันมีทุกแข่งทุกคนวันโนไปขันเฮ้าระมัดระวังแหะนั่นแหละชุดวิสัยเลยก็เออเอาตามว่าจยงไรมันชุดวิสัยชุดความสามารถของเฮ้าแล้วมันชุดวิสัยวันโนไปเฮาก็ต้องปล่อยอาตามกรรมแหละเฮ้าเคยเห็ุเคยสางมา้ามั่งมันจะเป็นจังซี่วันโนไปนี่แหละ พวกเข้าทุกปู่ทุกคนอนะี่ยทีหลวงพอบอกสอนกาวทั้งนเองทั้งนั้นคืเพื่อความรอบขอบของพวกเข้าที่เป็นพระเป็นเน้นเป็นญาติเป็นโยมเป็นลูกเป็นหลานไปอยู่ใสให้ละมัดระว่างย่าประมาทย่าต่างอยู่ในความประมาทอย่างทีหลวงพอว่อเนะ่ยคนกินเหล่าคือคนประมาทพอกินเหล่าเข้าไปแล้วบ่ได้บ่ได้ละมัดระว่างยังเข้าไป ทั้งที่เป็นคนดูวยูอุลิอุลิตูเต็มไปหมดพ่อกินเหาาล่ามัแหละไปหานอนอยู่ข้างถนนหมาเลียปากอยู่นะั้นนั่นแหละเกิดความประมาทเพราะนั้นเฮ้าหูอยู่แล้วว่ากินเหล่ามันต้องเมา่เขาจะไปกินเฮ็ดหยัง่งนี่แหละให้พวกเฮ้าฟังเอาไว้เนอมันโมเมนผลดีดอกมิถะเสียหายทั้งวัดมิถะหายจะอนาลงไปทั้งที่เฮ้ามีหนามีตามีเกียรติมียศในชุ่มชนสังคม ขันว่าไปเฮ็ดจังสันก็มานเนียเสียหายวันนึงไปได้ยินไปหอดใส่พี่น่องถึงตัวเองจะบวชอายกับพี่น่องพ่อแม่พี่น่องลูกหลานอายไปหอดหันวันนึไปแหมพูนั้นยาย่ยาให้ไดนะ้ยินนะคำว่าลูกชิดบุวยผููนันผู้นีแล้วมาบวชกับหลวงพ่ออินเนี่ยพอไปกินเหล่าเขาไปแล้วนี่ยไปอารวาสเขาไปถือเขาตีซะหมอบจอกซ้อเลว้วฉันหลวงพ่ออินได้ยินหลวงผู้อินกันจักรายขึ้นกันเนี่ อย่างพอเห็นได้โอ้เขาก็สอนลูกน้องของเข้าเนี่ยสอนเสาสอนแรงอยากจะให้เป็นคนดีเป็นยังลูกน้องเขาเป็นยังสันน้องเนี่ยเอารับพ่ร้นวันนี้นะ